4. โภชนวัค 6. ทุติยปรวรณาสิกขาบทว่าด้วยการบอกห้ามพระทหารข้อที่สองเรื่องภิกษุสองรูป 242. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุสองรูปเดินทางไกลไปกรุงสาวัตถีแขวนโกศลภิกษุรูปหนึ่งประพฤตอนาจาร ภิกษุผู้เป็นเพื่อนได้กล่าวกับภิกษุรูปนั้นดังนี้ว่าท่านอย่าได้กระทำอย่างนี้การกระทำอย่างนี้ไม่สมควรภิกษุรูปนั้นแค้นเคืองภิกษุผู้เป็นเพื่อนกันครั้นภิกษุเหล่านั้นถึงกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมีสังฆพัดของสมาคมหนึ่งภิกษุผู้เป็นเพื่อนฉันแล้วบอกห้ามพัตหารแล้วภิกษุรูปที่แค้นเคืองไปตะกูลญาตินำบินทบาทมาแล้วเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นเพื่อนถึงที่พัก ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าเชิญท่านเถิดขอรับภิกษุผู้เป็นเพื่อนปฏิเสธว่าไม่ละขอรับกระผมบริบูรณ์แล้วภิกษุผู้แค้นเคืองนั้นโรบเร้าว่าบิณฑบาตอร่อยฉันเถิดขอรับครั้นภิกษุผู้เป็นเพื่อนถูกรบเร้าจึงฉันบิณฑบาตนั้นภิกษุผู้แค้นเคืองได้กล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าท่านเข้าใจว่ากระผมเป็นผู้ที่ควรว่ากล่าว ท่านเองฉันแล้วบอกห้ามพัตทหารแล้วก็ยังฉันโพชนะที่ไม่เป็นเดนอีกภิกษุผู้เป็นเพื่อนกล่าวว่าท่านควรบอกเรื่องนี้มิใช่หรือภิกษุผู้แค้นเคืองกล่าวว่าท่านควรถามก่อนมิใช่หรือต่อมาภิกษุนั้นได้แจ้งเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพธนาว่าฉนัภิกษุจึงนำโภชนะที่ไม่เป็นเดนไปประวรนาภิกษุผู้ฉัน และบอกห้ามพระทหารแล้วเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ